วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกพฤษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม เพื่อให้เกิดปัญญาที่จะเป็นความรู้ที่จะสามารถนำมาไปดับความทุกข์ต่างๆของใจได้ปัญญาทางพระพุทธศาสนา น, นี้มีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสุตมะยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการ ได้ยินได้ฟังธ ร, รมหรือได้อ่านหนังสือธรรมะต่างๆอันนี้เรียกว่าสุดตะมยาปัญญาปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้พิจารณาไตรตรองอยู่เนืองเนืองคือเวลาได้ยินได้ฟังธรมแล้ว ถ้าเราไม่นำเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆปัญญาที่ได้จากการได้ยินได้ฟังธรรมก็อาจจะหายไปได้คือลืมได้เพื่อกันไม่ให้ลืมหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะข้อคิดต่างๆแล้วเราก็ต้องเอามาพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อจะได้ไม่หลงไม่ลืม อันนี้คือขั้นที่สองคือรักษาปัญญาที่ได้จากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเพื่อที่จะได้นำมาไปพัฒนาให้เป็นปัญญาขั้นที่สามต่อไปปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาไมายปัญญาคือปัญญาที่มีสมถภาวนาคือสมาธิ เป็นเครื่องสนับสนุนถ้าปัญญาที่ยังไม่มีสมาธิเป็นเครื่องมือสนับสนุนปัญญาจะไม่มีกำลังที่จะนำมาไปใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆได้จึงต้องไปปฏิบัติจิตตภาวนาหรือสมถภาวนา เพื่อทำใจให้สงบให้รวมเป็นสักแต่ว่าลมให้เป็นเอกขักตตอารมณ์ให้มีอุเบกขาคือความปราศจากความรักชังกลัวหลงถ้าจิตมีอุเบกขาแล้วเมื่อจิตเอาปัญญานี้มาใช้ในการดับความทุกข์ ก็จะสามารถดับความทุกข์ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเพียงแต่ได้ยินได้ฟังทำแล้วเอาความรู้ที่ได้ยินได้ฟังนี้ไปดับความทุกข์จะดับไม่ได้เพราะว่ากำลังของใจคือสมาธิยังไม่มีต้องไปสร้างกำลังใจด้วยการฝึกสมาธิ ทำใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนเพราะการจะต่อสู้กับกิเลสตัณหาตัวที่เป็นตัวมาสร้างความทุกข์ให้กับใจจะหยุดกิเลสได้ก็ต้องหยุดใจให้ได้ทำใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ถ้าทำใจให้นิ่งให้สงบได้กิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจ ก็จะไม่สามารถทำงานได้ก็จะหยุดทำงานไปความทุกข์ที่เกิดจากเจตนาก็จะดับไปหายไปนี่คือปัญญาขั้นที่สามเรียกว่าภาวนาไมยปัญญาปัญญาที่มีการภาวนาคือสมถภาวนาคือสมาธิเป็นผู้สนับสนุน อยังในธรรมที่พระเจ้าทรงตัดไว้ว่ามีสามขั้นตอนด้วยกันคือสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วหรือที่ได้รับการสนัสนบสนุนด้วยสีงจะเป็นสมาธิที่มีคุณมีประโยชน์มาก ปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก็จะเป็นปัญญาที่มีคุณมีประโยชน์มากจิตที่มีปัญญาเป็นผู้สนับสนุนย่อมหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวนี่แหละคือขั้นตอนของการดับความทุกข์ขั้นตอน ที่จะทําให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จิตต้องมีปัญญาปัญญาต้องมีสมาธิสมาธิต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนศีลในที่นี้ก็ต้องเป็นศีลของนักปฏิบัติศีลของนักบวช น, นักบวชคือนศีลเนกขมะก็คือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองยี่ 10, สบเจ็ด รือศีลสามร้อยกว่าของเพ็กษุนีอันนี้แหละเป็นศีลที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้ไปให้การปฏิบัติสมาธิเกิดผลขึ้นมาได้เมื่อสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิแล้วก็สามารถเอาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังที่เกิดจากการพิจารณาอยู่เรีองๆนี้ เอามาใช้ในการดับความทุกข์ของใจได้เช่นยกตัวอย่างพระเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์ของใจนั้นเกิดจากความแก่ความเจ็บและความตายหรือเกิดตอนที่เจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายและสาเหตุ ที่ทำให้ใจทุกข์กับความแก่กับความเจ็บ ก, กับความตายก็คือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้ทำให้เกิด ค, ความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายใจก็ต้องระ ง, งับความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายคือต้องยอมรับ ความแก่ต้องอยู่กับความแก่ให้ได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยให้ได้อยู่กับความตายให้ได้การจะอยู่กับมันได้ก็ต้องมีปัญญาที่เห็นว่าร่างกายเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เกิดแล้วก็จะต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายเป็นธรรมดา ร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ถ้าไปอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ไม่ไปเกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่สามารถไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายได้มีแต่จะไปสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาเปล่าๆถ้ามองเห็นด้วยปัญญาความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็ บ, ต, จบต้องตาย แล้วก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายร่างกายมีเพียงอาการสามสิบสองคือผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกและอวัยวะต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเท่านั้นเองไม่มีตัวตนไม่มีเราอยู่ในร่างกายอันนี้เป็นการเกิดขึ้นจากการรวมตัวของธาตุสี่ คือดินน้ำนมไฟแล้ววันหนึ่งการรวมตัวของธาตุสี่ก็จะมีการแยกตัวออกจากกันพอธาตุสี่แยกตัวออกจากกันร่นางกายนี้ก็จะหายไปค่อยๆหายไปตอนต้นเวลาตายธาตุลมก็ออกไปก่อนตามด้วยธาตุไฟตามด้วยธาตุน้ำ เหลืออยู่แต่ธาตุดินกลายเป็นดินไปในที่สุดให้พิจารณาความจริงของร่างกายว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเป็นเพียงแต่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองถ้าจิตผู้พิจารณาเข้าใจแล้วจิตก็จะได้รู้ว่าจิตไม่ได้เป็นร่างกายจิตไม่ได้อยู่ในร่างกาย ร่างกายกับจิตนี้เป็นคนละคนกันจิตย่อมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทุกข์กับร่างกายด้วยการหยุดความอยากอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่หยุดไม่ได้ท้านนี้คือการมีปัญญาพิจารณาเห็นอนิจจังอนัตตาของร่างกาย เราก็เห็นทุกขังที่เกิดจากใจไปอยากให้ร่างกายเที่ยงไปอยากให้ร่างกายเป็นตัวเราของเรามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันไม่ได้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็จะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือการพิจารณาเรียกว่าจินตามัยจะปัญญาก็ได้ถ้ายังไม่มีสมาธิถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่มีอุเบกขา พิจารณาไปใจก็ยังไม่สามารถละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะไม่มีกำลังที่จะไปหยุดมันแต่ถ้าใจของผู้ที่ได้ฝึกสมาธิมาแล้วสามารถหยุดใจให้นิ่งให้สงบได้พอพิจารณาด้วยปัญญาเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายนี้ห้ามมันไม่ได้ห้ามมันให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เกิดผลแต่อย่างใดเพียงแต่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจเกิดจากความอยากคือวิภาวะตัณหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเห็นด้วยปัญญาว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากอันนี้ถ้ามีสมาธิมีอเบคาก็จะสามารถหยุดได้ปล่อยวางได้ ปล่อยให้ร่างกายแก่ปล่อยให้ร่างกายเจ็บปล่อยให้ร่างกายตายพอหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะไม่มีในใจอยู่กับความแก่ได้อยู่กับความเจ็บไข้ได้ปวยได้อยู่กับความตายได้อันนี้เรียกว่าภาวนาไมยยัปัญญาปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาไตรวง เรื่องของตายละเรื่องของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาที่เกี่ยวกับร่างกายร่างกายไม่เที่ยงอ น, นิจจังเกิดแล้วก็ต้องดับเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราผู้พิจารณาร่างกายนี้คือใจผู้ที่กําลังเจริญปัญญาอยู่นี้คือใจ ใ่เป็นธาตุรู้ที่มาครอบครองร่างกายชั่วข่าวชั่วขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่พอร่างกายสิ้นลมแล้วร่างกายก็กลับเกินสู่ธาตุที่ธาตุาของเขาแยกตัวออกจากกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ไปกันคนละทิศคนละทางไป ถ้าใจมีปัญญาใจก็ต้องรู้ว่าทุกเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแล้วถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายและการที่จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ก็ต้องมีโอเบคามีสมาธิจิตต้องเคยเข้าสมาธิมาได้ต้องจิตรวมรวมเป็นอัปปนาสมาธิได้ เวลาจิตรวมในเป็นอปนาสมาธินี้ความอยากหยุดทางาน ท, ทันทีทำงานไม่ได้เวลาจิตมีความสงบแล้วจิตก็ใช้ความสงบใช้กำลังหยุดนี้มาหยุดในตอนที่มาพิจารณาเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจเช่นทุกข์เกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วย ไปหาหมอหมอพิษมีหมอตรวจแล้วก็เห็นว่าเป็นโรคมะเร็งขั้นสุดท้ายรักษาไม่ได้แล้วเหลือเวลาเพียงหกเดือนอันนี้โดยปกติของคนทั่วไปพอรู้ปั๊บนี้ใจก็จะต้องทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะไม่อยากให้ตายนั่นเองไม่อยากตายไม่อยากให้มันเจ็บอยากให้มันหายอยากอยู่ต่อไป ความอยากอันนี้แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าจะได้ยินได้ฟังทรรมได้พิจารณาอยู่เนืองๆว่านั่นตายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าอยากจะให้ความทุกข์ดับไปก็ต้องละความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี้ให้ได้ แต่ถ้าไม่ไปฝึกจิตมาก่อนไม่ไปฝึกภาวนาไม่ฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อทําจิตให้รวมเป็นอัปปนาสมาธิให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาจิตก็จะไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ตอนนั้นก็ใจก็จะทุกข์ไปถ้าอยากจะหายทุกข์ตอนนั้นก็ต้องไปเร่งทําความเพียร ไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปถือศีลไปถือศีลแปดไปอยู่ตามวัดที่มีการปฏิบัติไปเปีกวิเวกไม่แสวงหาความสุขจากการเสกรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐพะเอาเวลาทั้งหมดมาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้ได้พอทำใจให้สงบได้แล้ว ออก็จากสมาธิมาใจก็จะมีพลังมีพลังที่จะหยุดความอยากได้พอมาคิดถึงความโาครคภัยไข้เจ็บโรคมะเร็งที่จะต้องทำให้ร่างกายตายภายในหกเดือน<ฮ>ก็จะทำใจได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับโรคภัยที่กำลังเกิดขึ้นและจะไม่ทุกข์กับความตายที่ตามมา อันนี้แหละคือปัญญาที่จะเอามาใช้ในการดับทุกข์ต้องเป็นปัญญาขั้นที่สามขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนี้เป็นการเรียนรู้แล้วก็เป็นการทบทวนเป็นการทําความเข้าใจพิจารณาให้เข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์ ก, ก็คือตัณหาความอยากต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกามาตันหาหรภาวะตัญหาหรือวิภาวะตันหาก็เป็นเหตุเหตุที่เราทุกข์กับร่างกายไม่อยากให้ร่างกายตายก็เพราะว่าเราอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสดความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายถ้าเราไม่มีร่างกายหรือร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไม่สามารถใช้ร่างกายพาเราไปหาความสุข จากรูปเสียงกินรถโถธตะพะชนิดต่างๆได้เราก็เกิดความทุกข์ถึงแม้ยังไม่เป็นโรคโรคภัยทีจ่จะต้องตายก็ตามในโรคภัยที่จะทำให้เราต้องยุดต้องพักการไปหาความสุขชั่วคราวมันก็ทำให้เราทุกข์กันแล้วเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นโรคอะไรที่จะต้องนอนนอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านหรือต้องเป็นต้องมีการผ่าตัดรักษาตัว ช่วงนั้นใจก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะใจไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรเพราะอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะใจมีกามาตัณหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดถั่วพะพอมีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดัพะก็อยากให้ร่างอยากให้ร่างกายอยู่แข็งแรงสมบูรณ์เรียกว่ามี มีภาวะตัณหาอยากอยู่อยากให้ร่างกายอยู่เป็นนานๆอยากให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็อยากให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือวิภาวะตัณหาการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี้มันมักจะมาพร้อมๆกันมันเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความอยากเสพรูปเสียงกีดแล้วก็ทำให้เกิดความอยากอยู่เปนานๆ ความอยากอยู่ไปนานๆก็จะทำให้เกิดความอยากไม่ตายมันก็เลยเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปแต่ถ้าเราศึกษาแล้วใช้ปัญญามาวิเคราะห์เราก็ต้องยอมรับความจริงต้องเห็นความจริงของร่างกายว่าร่างกายของคนทุกคนนี่มันมีทางเดินเป็นทางเดียวกัน คือจากเกิดมันก็ต้องไปที่แก่จากแก่มันก็ต้องไปที่เจ็บจากเจ็บมันก็ต้องไปที่ตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของคนใหญ่คนโตหรือคนต่ำคนต้ยก็เหมือนกันคนสูงคนต่ำก็เหมือนกันคนรวยคนจนก็เหมือนกันคนฉลาดคนโง่ก็เหมือนกันพระอรหันต์กับ ุคคก็เหมือนกันนั่งกายของทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดเมื่อเกิดแล้วมันก็จะต้องเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดแต่จะทุกข์หรือไม่ทุกข์นี้ก็อยู่ที่มีปัญญาหรือไม่ถ้ามีภาวนาไม่ยัปัญญาก็จะไม่ทุกข์เช่นพระอรหันต์พระพุทธเจ้า พระอริยสงสารกตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี่ท่านมีภาวนามายะปัญญาท่านเห็นได้ ว, ว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ทำมาจากดินน้าลมไฟ <c oughs> ไม่ใช่ตัวท่าน <c oughs> ไม่ใช่จิต <c oughs> นะฮะร่างกายไม่ใช่จิตใจเหมือนกับที่ทางหมอหรือแพทย์เอาเข้าใจกันเอาคิดว่าจิตใจกับร่างกายนี้ อยู่ด้วยกันจิตใจนี้อยู่ในสมองสมองเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเอาคิดว่าจิตใจคือสมองแต่ทางพระพุทธศาสนาจากการตัดสลุของพระพุทธเจ้านี่ทรงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ไม่ได้อยู่ในสมองผู้คิดผู้รู้นี้เป็นจิตอยู่ในโลกทิพย์ แต่สามารถส่งกระแสวิญญาณมากเกาะที่ร่างกายมาติดต่อกับร่างกายได้สามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้และสามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสผลพัทธะที่ตาหูจมูกเน้นกายไปสัมผัสมาได้อันนี้คือจิตจิตนี่แหละไม่ได้เป็นร่างกายจิตนี่แหละที่กำลังเป็นผู้ทุกข์หรือไม่ทุกข์กับ ร่างกายจิตที่มีปัญญาที่เห็นร่างกายว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก็าจะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ว่าร่างกายจะเป็นจะเป็นจะตายหรือไม่ก็ตามจิตใจจะไม่เดือดร้อนเพราะจิตใจรู้ว่าจิตใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันเหมือนเรากับร่างกายของคนอื่นคนอื่นเขาเป็นอะไรนี่เราไม่ทุกข์เราไม่เดือดร้อน เพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างเราไม่ได้เป็นเขาฉันใดจิตก็เหมือนกันจิตกับร่างกายก็เหมือนคนละคนกันคนสองคนเพียงแต่มาเกี่ยวข้องกันด้วยการการเชื่อมการติดต่อของจิตกับร่างกายเพราะจิตต้องอาศัยร่างกายต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆในโลกนี้ จิตก็เลยต้องไปครอบครองร่างกายด้วยการส่งกระแสวิญญาณไปไปติดกับตาหูจมูกนิ้กายแล้วก็ใช้คำสั่งคือความคิดบุงแต่งนี้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆจิตก็อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะให้เครื่องเครื่องมือนี้อยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันตาย แต่ความจริงของเครื่องมือคือร่างกายอันนี้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายไม่มีใครห้ามมันได้เพราะนี่คือเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศมันก็มีเกิดแล้วก็มีดับฝนฝนมันก็ตกตกแล้วเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็หยุดตกแดดออกแล้วเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็มืดมันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆตาม ตามเหตุตามปัจจัยที่ทําให้มีการเกิดมีการดับไปไม่มีใครไปสามารถไปไปสั่งไปอะไรให้มันเป็นไปตามความต้องการของผู้สั่งได้ยั้นถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนี้มันก็เลยทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ความทุกข์ใจ นี่เกิดจากความอยากของใจเองถ้าใจไม่อยากแล้วใจจะไม่ทุกข์กับร่างกายที่ใจมาครอบครองถ้าใจมีปัญญาใจก็ต้องรู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นของชั่วคราวมันมันจะต้องเดินไปสู่ความแก่เดินไปสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดมันก็ไปสู่ความตายใจที่รู้แล้วก็จะได้ เตรียมตัวเตรียมใจว่าวันวันหนึ่งในภายภาคหน้านี้จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขได้ใจก็เลยต้องหาวิธีหาความสุขมาทดแทนความสุขทางร่างกายก็เลยต้องไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปถือศีลแปดเพื่อที่จะได้ ถือศีลแปลนี้เพื่อหยุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแล้วก็เอาเวลาที่เราไม่ได้เอาไปใช้กับการหาความสุขทางร่างกายนี้มาให้มาสร้างความสุขทางใจด้วยการทำใจให้สงบการฝึกสตินั่งสมาธินี้ทำใจให้สงบแล้วเราก็จะได้ประโยชน์สองข้อด้วยกันประโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือเราจะได้ความสุข ที่เกิดจากความสงบซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดถพพระชนิดต่างๆแล้วนอกจากได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราจะได้พลังจิตเราจะได้อุบเบกขามีกำลังเรียกว่ากำลังของสมาธิก็คืออุบเบกขา เราสามารถหยุดความอยากได้เวลาที่มันสร้างความทุกข์ให้กับเราอันนี้คือปัญญาที่เราจะจะต้องสร้างกันในเบื้องต้นต้องได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าจะได้ฟังโดยตรงหรือว่าจะได้ฟังจากจากการอ่านหนังสือก็ได้เหมือนกัน เช่นพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าตอนก่อนที่พระองค์จะจากโรกนี้ไปพระองค์ทรงตัดว่าพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปัาสะจากศาสดาจะไม่ได้อยู่ปัาสะจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่จะมาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกัน พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมทุกวันวันละสามรอบด้วยกันตอนบ่ายแสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมตอนค่ำแสดงธรรมให้กับภิกษุภิกษุณีตอนดึกแสดงธรรมให้กับเทวดาและเวลาทรงแสดงธรรมเหล่านี้ก็จะมีผู้ฟังที่เป็นพระภิกษุก็จะไปจดจํากันไปท่องไปท่องจํากัน ที่เราสวดมนต์กันนี้ก็เป็นการท่องจำคำคำสอนของพพระพุทธเจ้านั่นเองเช่นเวลาเราสวดบทธรรมจักกับปวัตตะสูตรเป็นการท่องจำคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วแล้วก็มีสาวกคือภิกษุทั้งหลายนี้เอามาจดเอามาจาเอามาสวดกันเอามาท่องจากัน สมัยก่อนไม่มีหนังสือไม่มีตัวหนังสือไม่ได้ไม่มีการเรียนหนังสือก็เลยไม่มีการบันทึกไว้เป็นตัวอักษรในเบื้องต้นในสมัยพุทธกาลอาศัยการฟังและการการจดจําการจดจํำจะจะจำให้ได้ก็ต้องมาท่องมาสวดอยู่เรื่อยๆที่เรียกว่าเป็นจินตามยปัญญานั่นเองตอนต้นเราฟังแล้วเราก็เอามาพิจารณาหรือเอามาจดเอามาจําอีกทีเรียกว่าจินตามยปัญญา ตอนต้นก็ได้สุตตะมายะปัญญาได้ยินได้ฟังก่อนพอได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาท่องจำกันเช่นเวลาที่เราสวดบนต่างๆนี้คั้งแรกที่เราได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านบทสวดบนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสุตตะมายะปัญญาเช่นเราสวดอิติปิโสภะกวาหังสัมมาสัมพุโทโธนีถ้าเราอ่านครั้งแรกแล้วแล้ว เ, เราไม่เอามาเอามาท่องจาเราก็จะลืมได้ แต่ถ้าเราเอามาสวดทุกวันเอามาท่องทุกวันบทอิติปิโสพระกวาอรหังสัมมามันก็จะฝังอยู่ในใจเราเช่นเดียวกับพระสูตรข้อสำคัญต่างๆเช่นมงคลลสูตรเนี่ยเราก็จะสวดกันอาสวนาจะบาลานางังบันติตา น, านาันจัสวนาปูชาจะปูชนียนานังเอตามังกัลลุมตมัง อันนี้เวลาเรามาสวดเอามาท่องจำนี้เรียกว่าเป็นจินตามยปัญญาเวลาที่เราได้ยินครั้งแรกหรือได้ศึกษาได้อ่านครั้งแรกนี่เรียกว่าเป็นสุตตามยปัญญาเมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วขั้นที่สองเราก็ต้องเอามาจดเอามาจําไว้มาพิจารณาอยู่เนืองเนืองมาท่องจําอยู่เรื่อยๆอันนี้เรียกว่าจินตามยปัญญาแต่ปัญญาสองข้อ สองขั้นแรกนี้ยังไม่มีกำลังถ้าจิตของผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมหรือเอามาท่องจำนี้ยังไม่มีสมาธิจิตก็จะไม่มีกำลังที่จะใช้ปัญญาทั้งสองขั้นนี้มาดับความทุกข์ใจได้แต่ถ้าแต่ถ้าจิตของผู้ที่มีสมาธิแล้ว<ม>เช่นในยุคแรกๆของการเผยแพร่ธรรมะคาสอนของพุทธเจ้านี้ พระพุทธเจ้าทรงไปสอนพวกที่มีสมาธิเลย<ม>พวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วพอแสดงธรรมแสดงอริยสัจสี่แสดงทุกขสมุทัยนิโรธมักให้กับผู้ฟังผู้ฟังก็สามารถดับความทุกข์ได้ทันทีและความอยากได้ทันทีเพราะผู้ฟังมีสมาธินั่นเองมีกําลังที่จะหยุดความอยากต่างๆได้พอทรงสแสดงว่า เหตุของความทุกข์เกิดจากความอยากของใจอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากอยู่ไปนานๆอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย<ม>พอรู้ว่าเ ห, เหตุเหล่านี้เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ใจใจที่มีสมาธิก็หยุดได้<ม>ผู้ที่มีสมาธินี้หยุดกามาตันหาได้<ม><ม>เพราะเวลามาฝึกสมาธิเราก็ไม่มาเราก็ไม่มาเสบรูปเสียงกลิ่นรดกัน เวลาาฝึกสมาธิเราก็มาจเจริญสติมาคอยควบคุมความคิดควบคุมความอยากที่จะไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดเบื้องต้นก็ใช้ศีลเป็นช่วยเป็นเครื่องช่วยรักษาศีล ร, รักษาศีลแปดศีลแปก็จะห้ามไม่ให้เราไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดเช่นไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกันไม่ให้กินอาหารตามความอยากไม่ให้ดูหนังฟังเพลงเป็นต้นไม่ให้เสริมสวยความงาม อันนี้ก็เป็นการตัดความอยากด้วยศีลไปก่อนแล้วก็มาฝึกสติมาเจริญสมาธิพอจิตนิ่งสงบเป็นอุเบกขาตอนนั้นจิตก็หยุดความอยากได้ชั่วข่าวสมาธินี้ยังไม่สามารถหยุดความอยากได้ถาวรจะถ้าต้องการหยุดความอยากได้ถาวรต้องอาศัยปัญญาปัญญาจะบอกว่าทำไมต้องหยุดความอยากเพราะปัญญาจะบอกว่า ความอยากนี้เป็นเหตุที่ทำให้ใจทุกข์นั่นเองถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ฉะนั้นเวลาเป็นโรคมะเร็งแล้วจะต้องตายนี้ถ้าใจไม่อยากจะทุกข์ก็อยากไปอยากให้ไม่ตายอยากไปอยากให้มันหายหมอบอกรักษาไงก็ไม่หายมันจะต้องตายเพียงอย่างเดียวแต่ใจถ้ายังไม่มีสมาธินี้มันจะมีความอยากอยากไม่ตายอยากให้หายจากโรคมะเร็งนี้ให้ได้ มันก็ด้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาแต่สำหรับผู้ที่มีปัญญาผู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามไม่ให้มันไม่ตายไม่ได้พอเรามีความรู้อย่างนี้ถ้าเรารู้ว่า ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอยาบไปอยากให้มันไม่เจ็บอยาบไปอยากให้มันไม่ตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็หยุดความอยากไม่เจ็บอยากไม่ตายคือยอมเจ็บยอมตายนั่นเองถ้าเรามีสมาธิเรามีอุเบกขาเราก็จะเราก็จะยอมเจ็บยอมตายได้เราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บความตายได้ยุคร่างนี้พระพุทธเจ้าทรงโรรดพวกที่เป็นนักบวชนักบวชนี้เขามีศีลที่ บริบูรณ์แล้วเปนศีลที่อบรมสมาธิได้แล้วทำให้เกิดจิตรวมเป็นอุเบกขาได้แล้วพอจิตมีสมาธิมีอุเบกขาพอมาพิจารณาด้วยปัญญา ว, ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ก็คือตัณหาความอยากต่างๆก็จะสามารถดับความทุกข์หยุดความอยากนั้นได้แล้วก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตาย ใจเบิกบานผ่องใสสงบไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่เดือดร้อนกับความตาย<ม>นี่แหละคือปัญญาขั้นที่สามที่เราจะต้องพัฒนากันไปตอนนี้เราเราอยู่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองตอนนี้อยู่ขั้นที่หนึ่งสมมติเนี่ยตอนนี้เราฟังเทศฟังธรรมกันอยู่นี้เรียกว่าสุตตะมายาปัญญาเรียนเรื่องของทุกว่าทุกใจของเราเกิดจากอะไร ทำไมร่างกายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราถึงต้องทุกข์กับมันก็เพราะว่าเราอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเพราะเรามีความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการที่เราจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้เราก็ต้องมีตาหูจมูกเนื้อายมีร่างกายเรามีร่างกายแล้วก็ต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมที่จะรับทาหน้าที่หาความสุขให้กับเราได้ อันนี้เป็นเหตุที่ทําให้เราต้องมีร่างกายแล้วก็อยากให้มีร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกายอยู่ไปแบบไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายแต่ความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างแน่นอนถ้าเรามีปัญญาเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่อยากจะทุกเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายแล้วก็ต้องหยุดความอยาก ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราต้องหยุดใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเราก็ต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการมาฝึกสมาธินี่ยพอเวลาที่เราทําใจให้สงบให้เข้าสมาธิได้ใจเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาแล้วเราก็สามารถอาศัยความสุขของสมาธินี้ทดแทนการหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ พอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่เดือดร้อนไม่กังวลถ้าร่างกายเป็นอะไรไปเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้ใช้ร่างกายแล้วพอทุกครั้งที่เราต้องการมีความสุขแทนที่จะเอานั่งกายพาเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรเราก็เข้าไปในสมาธิแทนไปนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบ พอจิตใจสงบเราก็มีความสุขและเป็นความสุขที่ดีกว่าเหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้ร่างกายพาเราไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆอันนี้แหละเป็นทำไมเราถึงต้องมาฝึกสมาธิกันการฟังเทศฟังธรรมอย่างเดียวนี้มันยังไม่มัมนมันไม่มีกําลังที่จะสร้างความสุขให้กับใจได้จนถึงขั้นที่เราจะปล่อยวางความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ การฟังนี้เป็นการเริ่มต้นสอนเราให้เรารู้ถึงขั้นตอนของการที่เราจะต้องมาปฏิบัติในการดับความทุกข์ขั้นตอนที่หนึ่งก็เนี่ยให้ฟังให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายอย่าไปอยากให้ร่างกายมันไม่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะว่ามันจะทำให้ใจทุกข์แล้วขั้นที่สองก็เอาความรู้ความคิดนี้มา คิดอยู่เรื่อยๆสอนอยู่เรื่อยๆเพื่อให้จดให้จําว่าเราจะต้องไม่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือต่อไปนี้เราจะต้องเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่หาความสุขจากการไปอยู่จำศีลไปถึกสติไปนั่งสมาธิไปทําใจให้สงบเพราะว่าเมื่อเราทําใจให้สงบได้เราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะได้ไม่เดือดร้อน เพราะเราจะไม่ต้องเราจะไม่มีความอยากให้มันไม่เป็นนั่นไ ม, ม่เป็นนี้มันจะเป็นอะไรก็ต้องปล่อยมันเป็นไปเราห้ามมันไม่ได้อันนี้แหละคือการปฏิบัติปัญญาขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งเพื่อเรียนรู้เรื่องของกา ร, รว่าทุกเกิดจากอะไรและการจะดับความทุกข์นี้ดับได้อย่างไรสองเมื่อรู้แล้วก็ต้องเอามาเอามาพิจารณาอยู่เนืองมาท่องจำอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเป็นมรรคก็คือความจริงของร่างกายนาร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตา ย, ยเรื่นี่เพราะว่าถ้าเราไม่คิดเดี๋ยวเราลืมได้นะคน เ, เรานี้บางคนนี่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะในแต่ละวันมัวแต่คิดแต่เรื่องการหาเงินหาทองหาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงทง้ามาเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็เอาเงินเอาทองนี้ ให้ร่างกายพาไปหาความสุขไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรต่างๆไปซื้อของอะไรต่างๆไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจนไม่มีเวลามานึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเลยก็ได้ลืมไปเลยลืมได้ญาติโยมจําได้หรือเปล่าว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายวันวันหนึ่งใครคิดถึงมันบ้างหรือเปล่า การคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี้เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาขั้นที่สองเรียกว่าจินตามายะปัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นพิจารณาอยู่เรื่อยทรงสอนให้เราเจริญจินตามายะปัญญาขั้นที่หนึ่งเราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาขันที่สองพระพุทธเจ้าบอกเอาความรู้อันนี้ไปเตือนใจสอนใจอย่าให้ลืมเป็นอันขาด อย่าให้ลืมแม้แต่แค่ช่วงเวลาวินาทีนึงเลยพระพุทธเจ้าเคยถานพระอานนุนว่าอนาอนุ์เธอวันหนึ่งพิจารณาความตายสักกี่ครั้งด้วยกันอานุ์บอกว่าสักสี่ห้าครั้งครับตอนเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ตอนก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่พอเราพิจารณาแค่นี้ไม่พอเธอยังลืมได้เธอยังทำให้เธอประมาทได้ ทำให้เธอลืมความตายลืมความเจ็บไข้ได้ป่วยได้วิธีที่จะทำให้เธอไม่ลืมความเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือต้องพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตาย <published> หายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตาย <fade. S 1> ให้พิจรารณาอย่างนี้ไปจนกระทั่งมันไม่หลงไม่ลืมเมื <us> ่อเราไม่ลืมแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องพิจรารณาก็ได้เพราะมันจะฝังอยู่ในใจแล้วนะีเราก็จะได้รู้ว่า เรานี้ไปอยากให้มันให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้นะพอเวลาที่ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะทําใจกันถ้าเรายังทําใจไม่ได้ยังหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิกําลังพอเราก็ต้องไปสร้างสมาธิสร้างอุบเบกขาด้วยการไปฝึกไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆด้วยการไปถือสิ่งของ นักปฏิบัติเพราะถ้าไม่ถือศีลของนักปฏิบัติเดี๋ยวมันก็แวะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายได้เช่นถ้าถือเพียงศีลห้าแล้วไปปฏิบัติทำนี่เดี๋ยวพอตอนเย็นหิวข้าวก็กินได้เพราะศีลห้าไม่หา้ามพอจะนอนคิดถึงแฟนเดินไปหาแฟนไปนอนกับแฟนก็ได้อันนี้ก็ไม่ผิดไม่มีหรือตอนค่ำอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ทําได้ เพราะว่าศีลห้าไม่ห้าม ถ, ถ้าถือศีลห้าแล้วไปปฏิบัติธรรมนี้จะปฏิบัติไม่ไปไม่ถึงไหนไปไม่รอดนักปฏิบัติส่วนใหญ่สถานที่ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จึงต้องอมีการรักษาศีลแปแล้วก็ต้องคอยป้องกันไม่ให้เพศทั้งสองอยู่ใกล้กันเพศหญิงเพศชายในสถานที่ปฏิบัติเขาจะแยกกันอยู่กันเขาจะไม่อยู่รวมกัน พระอยู่ใกล้กันแล้วเหมือนเหมือนน้ำมันกับไฟเนี่ยแ้วน้ำมันกับไฟอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันก็เกิดการลุกโชนขึ้นมาได้ยังต้องแยกกันอยู่ยผู้หญิงผู้ชายในสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้ก็จะแยกกันอยู่พระกับญาติโยมก็แยกกันอยู่พระจะมีโซนของพระเรียกสังฆาวาสนี่ยโซนของญาติโยมเขาเรียกว่าคารวาสนีแยกกันอยู่โซนของคารวาสก็แยกหญิงแยกชายนะ ชายอยู่หอหนึ่งผู้หญิงอยู่อีกหอหนึ่งเพราะอยู่ใกล้กันไม่ได้เดี๋ยวเกิดไฟลุกขึ้นมา mm hmm. เกิดตันหาความอยากขึ้นมาแล้วแทนที่จะไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมก็จะไปร่วมหลับนอนกันแทน mm hmm. อันนี้เกิดหน้าที่ของศีลสำคัญมากนะการที่จะไปฝึกสติไปนั่งสมาธิเพื่อจาจิตให้สงบทาจิตให้ดวมได้นี้จำเป็นที่จะต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุน mm hmm. ท่านถึงบอกว่า สมาธิที่มีศีลสนับสนุนนี้จะมีประโยชน์มีคุณก็จะมีผลนั่นเองจะเกิดสมาธิขึ้นมาได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้สนับสนุนนี่คือสาเหตุว่าทำไมเวลาเราไปไ ป, ไปปฏิบัติธรรมตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆนี้เขาจะนิยมให้เราถือศีลแปดกันแล้วก็แยกโซนกันอยู่ผู้หญิงก็อยู่ส่วนผู้หญิงผู้ชายก็อยู่ส่วนผู้ชาย ถ้าเป็นสถานที่ปฏิบัติที่เข้มข้นนี้เขาบางทีจะไม่ให้มาเจอกันเลยต่างคนต่างแยกกันอยู่ไปอยู่ที่กุติใครกุติมันสถานที่ปฏิบัติตามลาพังมาเจอกันเฉพาะเวลาที่จะต้องทำกิจเช่นมามารับประทานอาหารหรือบางสถานที่นี้เขาก็มีบริการส่งอาหารให้ถึงที่พักเลยไม่ให้ออกมายุ่งเกี่ยวกับใครเลยไม่ให้ออกมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกิจลดโทษพะชนิดต่าง พอเวลามาสัมผัสรับรู้แล้วใจมันจะฟุง้งจะนั่งสมาธินี้จะทำให้ใจสงบไม่ได้มันมัวแต่จะคิดคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้มาอยู่ปฏิบัติธรรมกี่วันกี่คืนก็ไม่ได้ผลแต่อย่างใดก็เพราะว่าไม่มีศีลคอยคอยควบคุมความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรดนอกจากใช้ศีลแล้วยังต้องใช้สติ ด, ด้วยต้องคอย พอมีศีลนะเราก็ต้องขั้นต่อไปก็ต้องใช้สติถึงแม้ว่าจะไม่มีจะไม่ทําก็ตามแต่มันยังเกิดอารมณ์ขึ้นมาภายในใจได้ถ้าเราปล่อยใจให้คิดถ้าปล่อยให้คิดแล้วเกิดอารมณ์มากๆเดี๋ยวมันทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องลากลับบ้านไปออกจากศีลไปเพราะว่าสู้กับความอยากไม่ได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมามันเกิดความทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งอยู่อย่างไม่มีความสุขเลย วิธีป้องกันขั้นที่สองเพื่อไม่ให้เกิดความอยากขึ้นมาเวลาที่เราไปฝึกสติไปนั่งสมาธิก็คือต้องคอยเจริญสติอยู่เรื่อยๆรักษาศีนแปดแล้วก็สกัดความอยากไว้ได้ในในระดับหนึ่งแต่มันยังสกัดความอยากที่อยู่ในจิตไม่ได้ความอยากในจิตนี้สีนไปเข้าไปไม่ถึงสีนแปดเข้าไปไม่ถึงผู้ที้จะเข้าไปถึงความอยากในจิตก็คือสตินี่ ถ้าต้องการจะหยุดความอยากก็ต้องหมั่นเจริญสติวิธีเจริญสติก็มีหลากหลายอุบายวิธีด้วยกันซึ่งแต่ละคนก็สามารถเลือกเอาใช้ได้แล้วแต่กรณีแล้วแต่ความเหมาะสม mm. เช่นการบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ก็เป็นวิธีเจริญสติอย่างหนึง่งถ้าเราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธนีเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ ความอยากที่จะเสพืูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่เกิดได้หรือเกิดขึ้นก็น้อยเกิดแล้วเราไม่ไปสนใจเราก็กลับมาอยู่กับพุโทโธถึงแม้จะมีความอยากจะไปดูไปฟังไปอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของกรมามขุณห้าพอเรารู้ว่าจิตเราเผลอไปคิดถึงเรื่องนี้เราก็ดินกลับมาที่พุโทโธพุโทโธได้บางคนจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้การสวดมนต์ก็ช่วยให้มีสติได้เหมือนกัน บางคนแทนที่จะใช้คำบริการพุโทโธก็อาจจะท่องอิติปิโสไปอิติปิโสภควาอานังสัมมาท่องไปเรื่อยๆท่องไปหลายๆโลกท่องจบรอบหนึ่งแล้วก็ท่องต่อไปท่องไปเพื่อคอยสกัดความคิดที่จะไปหารูปเสียงกลิ่นรสถ้ามันหยุดคิดมันไม่คิดเราก็หยุดการสวดได้แต่พอมันเริ่มคิดใหม่คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสใหม่เราก็ต้องสวดใหม่หรือต้องบริกรรมใหม่ อันนี้คืออุบายของสตินอกจากนั้นเรายังสามารถใช้การใช้ร่างกายเป็นที่เจริญสติได้เรียกว่ากายกตาสติคือคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเวลาร่างกายเดินแล้วก็เดินไปกับร่างกายใจเราก็เดินไปกับร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปหารูปเสียงกลิ่นรสให้อยู่กับร่างกายร่างกายเดินก็เดินกับร่างกายร่างกายยืนก็ยืนกับร่างกาย ร่างกายนั่งก็นั่งกับร่างกายร่างกายนอนก็นอนกับร่างกายร่างกายอาบน้ํานั่งหน้าแปรงฟันก็ทําไปกับร่างกายให้ใจอยู่กับกิจกรรมของร่างกายไปเรื่อยๆแล้วใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ความอยากที่จะไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่มีความอยากพอไม่มีความอยากมันก็ทําให้ใจเบาใจเย็นใจสบายสามารถเจริญสติสามารถไปนั่งสมาธิต่อได้ พอนั่งสมาธิเราก็จะใช้คําบริกรรมต่อก็ได้บริกรรพุทโธก็ได้หรือจะใช้บทสวดมนต์ไปก่อนก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนมาดูลมหายใจเลยก็ได้ถ้าเรามีสติพอที่จะดูลมหายใจได้เราก็สลับมาดูลมหายใจแทนที่จะใช้การสวดมนต์หรือใช้การบริการมพุทโธเราก็มาอยู่กับลมหายใจเข้าออก นั่งดูลมหายใจเข้าออกด้วยสติมีสติรู้อยู่กับการเข้าออกของลมหายใจถ้าคอยเฝ้าดูแต่ลมหายใจมันก็จะไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไม่ได้พอมันไม่คิดเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็รวมได้รวมเข้าสู่ควาสมสงบพอมันสงบทีนี้มันหยุดนิ่งเลยนิ่งแบบเหมือนกับรถที่วิ่งไปแล้วไปชนต้นไม้แล้วก็หยุดยมันมันหยุดสนิทเลยพอมันรวมมันจะนิ่ง พอมันนิ่งแล้วมันจะเบามันจะสบายมันจะสุขขึ้นมาทันทีตอนนั้นความรู้ความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้หายไปหมดใจเบาใจสบายใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปตอนนั้นตอนนั้นไม่ต้องทำอะไรแล้วถามว่าจะทำาังไง ก, ก, ก็คอยรักษาให้มันอยู่ในสภาพนั้นนานๆด้วยสตยิให้รู้เฉยๆอย่าไปอย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งขึ้นมา พออยากใจจะคิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาก็กันมันไว้ได้ด้วยสติพอรู้ว่ามันจะคิดปั๊บก็หยุดความคิดได้ทันทีก็ให้มันอยู่กับความสงบไปนานๆาจ น, นกว่ามันจะสู้กับความคิดไม่ได้ความคิดเริ่มคิดมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราอยากจะอยู่ไปเราก็ต้องจเจริญสติเพิ่มให้มากขึ้นม่เช่นเราอาจจะต้องกลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธใหม่ต่อไปอีกรอบหนึ่งก็ได้เพื่อที่เราจะได้นั่งต่อไปได้อีก ทำอีกรอบหนึ่งโดยที่ไม่ต้องลุกไม่ต้องเปลี่ยนิริรยาปวดก็ได้เพราะตอนนั้นใจจะไม่ค่อยทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายถึงแม้จะมีบ้างก็จะไม่ไม่ทรมารไม่เดือดร้อนสามารถที่จะนั่งต่อไปได้สามารถที่จะทําใจให้สงบได้อีกรอบหนึ่งได้ mm hmm. นี่คือการฝึกสติด้วยการรักษาศีลแล้วมาฝึกสติเพื่อมานั่งสมาธิเพื่อทาใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาให้เกิดความสุขขึ้นมาเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออีกต่อไปเวลาเอาจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากที่จะไปหาความสุขผ่านทางร่างกายหรือพออยายามให้ร่างกายนี้ไม่เป็นอะไรเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้มันหายหรือเวลามันจะตายก็อยากจะให้มันไม่ตายถ้าเรามีปัญญาเรารู้ว่าใจของเราทุกข์เพราะความอยากเหล่านี้เราก็ใช้สมาธิใช้อุบเบกานี้หยุดความอยากได้ อันนี้แหละคือภาวนามาย์ปัญญาต้องรู้ด้วยปัญญาและหยุดด้วยสมาธิถ้ามีสุตตมาย์ปัญญาหรือจินตามายปัญญานี้มีแต่ความรู้แต่ไม่มีไม่มีกำลังหยุดไม่มีสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมาม า, มาเรียนรู้ทางปัญญาพอรู้ปั๊บว่ารู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็หยุดได้เลยอย่างตอนที่พระเจ้าทรงโปรดแสดงธรรมใหม่ๆครั้งแรกยุคแรกๆ ไปสอนพวกที่มีสมาธิแล้วพอบอกเขาว่าตัวที่มาทาให้ใจทุกข์ก็คือความอยากเขาก็หยุดได้ทันทีพอเขาหยุดความอยากได้เขาก็บรรลุเป็นพออาาระอรหันต์ขึ้นมาได้ทันทีเลยแต่พวกเรานี้มันกลับกันพวกเรามานั่งฟังธรรมในขณะที่เรายังไม่มีสมาธิกันพอเราไม่มีสมาธิเราก็ได้เพียงแต่ความรู้รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ทาให้ใจเราทุกข์รู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทาให้เราทุกข์กัน แต่เราก็ยังหยุดความอยากไม่ได้ยังอยากยังอยากไปเที่ยวกันอยู่ยังอยากไปดูไปฟังไปกินไปเดินกันอยู่อันนี้เราก็ต้องมาฝึกมาหยุดความอยากกันมาฝึกสติมานั่งสมาธิมาถือศีลกันอถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะมีโอกาสที่จะไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ถ้าเรายังรักษาศีลไม่ได้โอกาสที่จะไปฝึกสตินั่งสมาธินี้มันก็จะไม่เกิด พราะเราจะเอาเวลานี้ไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมันก็จะไม่มีเวลาที่จะให้กับการมาฝึกสติมานั่งสมาธิถึงแม้จะรู้ว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากของใจอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายแต่ถ้าหยุดความอยากเหล่านี้ไม่ได้ก็หยุดความทุกข์ใจไม่ได้เพราะไม่มีกาลังที่จะหยุดมัน ดังนั้นนอกจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วแ ล, และนอกจากการที่เราเอาไปคิดอยู่พิจารณาอยู่เรื่อยเพื่อให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปเช่นว่าให้เรารู้ว่าความทุกข์ของเรานี้เกิดจากอะไรความทุกข์ของเราก็เกิดจากความอยากของเรา<ม>อยากหาความสุขผ่านทางร่างกาย<ม>ก็อยากจะให้ร่างกายแข็งแรงอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆ<ม>แต่ความเปจริงแล้วก็ต้องมองว่ามันเป็นไปได้หรือไม่ได้ เรื่องที่จะให้ร่างกายแข็งแรงไปตลอดให้ร่างกายอยู่ไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้ร่างกายมันเป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเข้าสู่ความแก่ความเจ็บและความตายตามลำดับต่อไปถ้ารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้อยอมฝึกใจยอมรับอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ถ้าเราบอก บอกว่าอย่าไปอยากแต่มันยังอยากอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากเพราะเรายังไม่ได้ฝึกสติไม่ได้นั่งสมาธิเราก็ต้องไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปถือศีลกันถือศีลแปดไปอยู่ตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกสติทําใจให้สงบนิ่งทําใจให้ดวมเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาให้ได้ถ้าเราทําใจให้ดวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิได้แล้ว เราก็จะมีภาวนามาย์ปัญญาปัญญาเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าความทุกข์ของเราเกิดจากตัณหาความอยากถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องหยุดความอยากการจะหยุดความอยากเราก็ต้องใช้สมาธิเป็นเป็นเครื่องมือในการหยุดความอยากเราใช้ปัญญาเป็นผู้สอนให้เรารู้ว่าทำไมเราต้องหยุดความอยากเพราะปัญญาจะบอกว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่ดี การที่จะไปอยากให้นั่งกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้มันเป็นไปไม่ได้นั่งกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยากไปก็ทุกไปเปล่าๆไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงความแก่ความเจ็บความตายแต่อย่างใดแต่ถ้าเรามายอมรับความแก่ความเจ็บความตายด้วยการหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยอมตายยอมแก่ยอมเจ็บได้ใจเราก็จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายต่อไปถ้าเรามีสมาธิถ้ามีอุเบกขา เราก็จะหยุดความอยากได้ถ้าเรายังหยุดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าเรายังไม่มีสมาธิพอยังไม่มีอุบเบกขาพอเราก็ต้องไปฝปึกสติใหม่ไปนั่งสมาธิใหม่ทำใจทาจิตทำใจให้รวมเท่าไหร่แล้วพอออกจากสมาธิมาก็มาพิจารณากันใหม่ถ้าเวลาเจอความเจ็บแล้วใจยังทุกข์อยู่ยังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเราอาจจะไม่มีสมาธิพอหรือว่าเรายังไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมรับความจริงของร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องมองพิจารณาไปเรื่อยๆมีร่างกายของใครบ้างที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็ไม่มีแล้วมีแก็ให้มองว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปเดือดร้อนกับมันทำไมเราไม่ได้เป็นร่างกายซะหน่อยเราไปทุกข์กับร่างกายทำไมพอเราเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นเพียงแค่ดินน้าลมไฟเราก็ไปเราไปทุกข์กับมันทาไม ทุกแล้วมันได้อะไรทุกแล้วทำให้มันไม่ตายได้หรือเปล่ามันก็ทำไม่ได้อยู่ดีมันเราก็จะหยุดความอยากได้เราก็จะยอมรับความจริงของร่างกายได้อันนี้แหละคือปัญญาเมญปัญญาปัญญาคือความรู้เรื่องของเรื่องของทุกข์ของว่าร่างกายทำให้เราทุกข์เพราะอะไรเพราะความอยากของเราเราอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายท่านเองแต่เราก็รู้ว่าความจริงแล้วร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าไม่อยากจะทุกเราก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายและการจะหยุดได้เราก็ต้องมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิก็จะหยุดไม่ได้เมื่อยังหยุดไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องไปฝึกสติไปนั่งสมาธิไปอยู่จำศีลกันก่อนไปปีกวิเวกหาที่สงบเจริญสตินั่งสมาธิพอจิตเราสงบแล้วทีนี้พอใจเราทุกข์กับอะไรเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าออกจากความอยากอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ พอรู้ว่ามันไม่ได้เราไม่อยากทําไมก็หยุดความอยากเสียถ้าไม่อยากจะทุกข์พอหยุดความอยากปั๊บมันก็หายทุกข์ได้อันนี้แหละคือขั้นสุดท้ายขั้ปัญญาขั้นที่สามต้องเกิดจากการมีความรู้ความเข้าใจถึงเรื่องของทุกข์และเหตุของทุกข์และสิ่งที่จะมาดับความทุกข์คือความเห็นที่ถูกต้องความเห็นนความเป็นจริงว่าร่างกายหรือสิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยง ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วต้องมีดับไปเป็นธรรมดาจะไปอยากให้มันไม่ดับไม่ได้เวลามันเกิดมาแล้วลเวลามันจะดับก็ต้องยอมรับมันให้ได้ถ้ายังรับไม่ได้ก็ต้องไปปฏิบัติไปนั่งนั่งสมาธิทาใจให้สงบให้ได้พอใจสงบแล้วแล้วรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ย ง, ง, ก ง, กยงเกิดแล้วต้องดับใจก็ใจก็จะรับได้ใจก็จะหยุดความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆไม่ไม่เที่ยงได้ พอใจหยุดได้หยุดความอยากได้ใจก็จะหายทุกข์อันนี้แหละคือปัญญาที่เราต้องมีในการเอามาใช้ในการดับความทุกข์ของใจเราต้องมีภาวนามายะปัญญาซึ่งเป็นปัญญาขั้นที่สามแต่ก่อนที่จะได้ขั้นที่สามก็ต้องได้ขั้นที่หนึ่งก่อนคือปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาไข้ควรอยู่เนืองๆแล้วถ้ายังไม่มีปัญญาขั้นขั้นที่สองก็ต้องไปที่ขั้นที่หนึ่งก่อนต้องไปเรียนรู้ก่อนว่า ความทุกข์เกิดจากอะไรและวิธีจะแก้ความทุกข์แก้ได้อย่างไรเมื่อรู้แล้วก็เอามาทบทวนมาพิจารณาสอนใจเรื่อยๆแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ ป, ปฏิบัติจิตตภาวนาทําจิตใจให้สงบแล้วปัญญาขั้นที่สามก็จะเกิดขึ้นมานภาวนามายาปัญญาพอเวลาใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามีปัญญาขั้นที่สามก็จะสามารถดับความทุกข์ใจได้ทันทีเลยได้ จ, จะไม่ทุกข์กับอะไรอีกต่อไป นี่คือเรื่องของปัญญาทั้งสามท่านด้วยกันที่นำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา่ะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาริวหาปูราปาริปุรเรนติสาขลังเอวเมวะอิตตจินางเปตานาังอุปกะปติอิจจิตังปัิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุ สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะวะสสยธามณิโชติอระสสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพโรโควินัศตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขาายุโกภวะอภิวาทนัสสลิสะนิจจังวุธาปะจายโน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 ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ น้อมกลับนมัส ก, การเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 522ย t u b e พระอาจารย์สุชาติ348ย o u t บด e อกเร์ว81วิทยุออนไลน์7คลับ h ฮ u s ์8ผู้รับฟังหน้ากุติ194รวม 1,160 ท่านเจ้าค่ะเป็นคำถามฝากถามจากผู้รับฟังหน้ากุติเจ้าค่ะ ขอเมตตาพระอาจารย์ให้คำสอนเรื่องธาตุขันธ์ทั้ง6ด้วยเจ้าค่ะก็ธาตุทั้ง6ที่เป็นตัวสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็กกกได้แก่ธาตุดิานธาตุาน้ำธาตุลมธาตุไฟอาวากาศสะธาตุแล้วก็ธาตุรู้คือใจของพวกนี้เมื่อมารวมกันก็จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉา น, านเป็นต้นไม้เป็นผักเป็นอะไรต่างๆของทุกอย่างนี้ทามาจากธาตุทั้งนั้น มนรวมตัวกันชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็แยกตัวออกจากกันเวลามารวมตัวกันเราก็เรียกว่าเกิดเวลาแยกออกจากกันเราก็เรียกว่าตายแต่ความจริงไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดมันเป็นเรื่องของการรวมตัวและแยกตัวของธาตุสี่ธาตุหกธาตุหกขอพระอาจารย์เมตตาให้ข้อธรรมสำหรับคนที่มีความขี้ราคาญด้วยเจ้าค่ะ ก็ต้องทําใจเราอยู่ในโลกนี้มันจะเอาแต่เอาแต่ความพอใจของเราไม่ได้หรอกเพราะโลกนี้เขามีหลากหลายด้วยกันมีคนหลากหลายด้วยกันมีสิ่งหลากหลายด้วยกันเหมือนดินฟ้าอากาศเนี่ยเราจะเอาแต่หน้าฝนอย่างเดียวก็ไม่ได้<ๆ>จะเอาแต่หน้าหนาวอย่างเดียวก็ไม่ได้มันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราไม่อยากจะลาคาลเราก็ต้องยอมรับความจริงวันนี้แล้วก็พยายามทําใจเฉยๆ เวลาเราเจออะไรสิ่งที่เราไม่ชอบก็พยายามทำใจให้นิ่งให้เฉยแล้วเราก็จะผ่านไปได้คำถามจากคุณพุทธิพัทน์เจ้าค่ะลูกสาวกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัายอยากให้ท่านพระอาจารย์ให้โอวาทในการศึกษาและการใช้ธรรมะในอนาคตครับออความสำเร็จความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั้นจะจบปริญญาได้ก็ต้องมีความพยายามไปเรียน ทำการบ้านทำข้อสอบถ้าทำข้อสอบผ่านเราก็จะสำเร็จได้งั้นอยู่ที่ความเพียรพยายาม รู้สึกชินชาเฉยเฉย อ, อยู่ตลอดเวลาเหมือนคนขี้เกียจพออยู่กับสติก็เห็นความชาที่ตัวตลอดทีนี้เหมือนเราอยู่ไปวันวันไม่อยากหาไม่อยากทําอะไรพอมีเรื่องต้องทําก็ทําแต่จะไม่มีความกระตือรือร้นแบบนี้ผิดทางหรือต้องแก้ไขอะไรไหมคะก็อยู่ที่ว่าเราสุขหรือไม่สุขถ้าสุขก็ไม่ผิดทางถ้าไม่สุขก็ยังถือว่าไม่ไม่ถูกทาง แต่ก่อนลูกไปรักษาสีนแปดที่วัดป่าบ้านตาดแล้วมานั่งทำวัดเย็นกับคุณแม่ชีลูกเปลี่ยนท่านั่งทุกๆ15นาทีเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ลูกนั่งสมาธิที่หนึ่งชั่วโมงรวมสงบเฉยว่างลูกไม่รู้สึกถึงเวทนาทางนั้งร่างกายในขณะที่นั่งเพราะจิตว่างเบามากเจ้าค่ะแต่พอออกมามีอาการชาทั่วขาคือเวทนาไม่จาเป็นจะต้องเกิดทุกครั้งที่นั่งใช่ไหมเจ้าคะ ถ้าเวลาจิตเราสงบมันก็จะไม่เกิดถ้ามันไม่สงบวันไหนนั่งแล้วมันก็จะรู้สึกเจ็บเป็นวันได้นั่นก็เป็นเรื่องปกติของเวทนาที่เป็นอนิจจังไม่เที่ยงบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดเขอสําคัญก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรากับมันว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรการปฏิบัติกับเวทนาก็ต้องทําใจเฉยให้มันมาให้มันไปตามเรื่องของมันมันจะมาก็ปล่อยมันมาไป เวลาไม่มาก็อย่าไปอยากให้มันมาและเวลามันมาก็อย่าไปอยากให้มันไปปล่อยให้มันมาปล่อยให้มันไปเราเฉยๆแล้วเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไปอยากแล้วเราเราจะเดือดร้อนเราจะทุกข์ขึ้นมนาะถ้าจะบวชแล้วปฏิบัติอย่างจริงจังจำเป็นจะต้องไปเรียนทางปริยัตก่อนไหมครับแล้วค่อยมาออกปฏิบัติคือการเรียนมันมีหลายรูปแบบจะเรียนปริยัตแบบที่เขาเรียนกันเป็นหลักสูตรก็ได้ หรือถ้าจะเรียนแบบสายปฏิบัติท่านก็เรียนจากครูบาอาจารย์โดยตรงเลยไปอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วท่านก็จะมีการแสดงทำให้ฟังอยู่เรื่อยๆท่านก็จะสอนวิธีปฏิบัติศรรีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ก็ไม่ต้องเรียนแบบปริยัติก็ได้มันก็เป็นปริยัติแบบปฏิบัติเรียนไปแล้วก็ปฏิบัติไปควบคู่กันไปตอนนี้ยังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ ะ, คะ อ่าเข้ามาคำถามมาแล้วการนมันสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูหนูไปหนูไปทำธุระที่ชายทะเลนะคะพอดีว่าไปพบพวกคริสตจักรแล้วเขาชวนหนูสวดแผ่เมตตาหนูพูดตามเขาไปเจ้าค่ะแต่หนู่ ไม่ไม่ไม่ทราบว่าวเขาจะพูดอะไรหนูก็เลยพูดตามเขาไปมันเป็นบทอะไรสักอย่างที่เข้าถึงคิดจะจกน่ะเจ้าค่ะอันข้อนี้คือหนูสงสัยว่าการพูดตามเนี้ยทำให้หนูผิดสิ่งใหม่เจค่ะไม่ผิดหรอกมันอยู่ที่ใจเราว่าเราไปเอาเป็นเอาจริงเอาจงรง ก, กับมันหรือไม่<ช>ถ้าเราทำไปเพื่อเป็นมารยาทไม่ให้เสียมารยาทก็ไม่ผิดอะไรเจ้าค่ะ ต่อจากนั้นมีพระท่านพระพระฝรั่งสวดมนต์ไรให้หนูก็ไม่ทราบกับหนูหนูไม่หนูไม่ได้คิดอะไรเจ้าค่ะพอทีนี้หนูนอนแบบตอนกลางคืนหนูได้ยินเสียงของหนูหนูหนูเห็นโต๊ะอาหารแล้วก็ได้ยินเสียงพระบิดาพระบุตรพระจิตอาเมนสื่อเข้าดวงจิตหนูเจ้าค่ะทีนี้หนูก็ปฏิเสธไปแล้วก็หายไป ก็ได้ยินอีกชัดเข้ามาในดวงจิตหนูเจ้าค่ะเหมือนกับตอนที่หนูเคยทราบถึงเรื่องพระพุทธเจ้านะเจ้าค่ะก็เป็นจิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาไม่มีอะไรเจ้ที่เรานอนหลับฝันไปความจําที่เราไปจําเรื่องนั้นเรื่องนี้มามันก็เอามาคิดปรุงแต่งขึ้นมาใหม่ให้เรารู้แล้วก็ปล่อยวางว mm hmm. ที่ว่าเป็นความฝันไม่ใช่เป็นความจริงไม่ต hmm. ้องไปทําอะไร รูแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปขอบคุณเจ้าค่ะความฝันนี่มันฝันได้หลายรูปแบบฝันดีก็ได้ฝันไม่ดีก็ได้กอสำคัญเราะทําเราถ้ามันฝันแล้วสอนให้เราทำดีเราทำตามมันก็ดีถ้ามันสอนฝันแล้วมันสอนให้เราทาไม่ดีเราก็อย่าไปทำตามมัน น้องกลับนมัสการพระอาจารย์สุชาติขอรับผมอยู่ตัวคนเดียวเหงาเบื่อขอวิธีการปฏิบัติต่อความเบื่อให้ลูกด้วยขอรับต้องทำจิตให้สงบถ้าจิตสงบแล้วความเหงาวความเบื่อจะหายไปนั้นต้องบั่นขยันพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันเน้อนคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดหารูปเสียงกลิ่นรสความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันจะทําให้เราเหงา เพราะเวาอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปมันก็เหงาอยากจะไปมีอะไรไปไปพบเพื่อนแล้วไม่ได้พบกับเพื่อนมันก็เหงาเพราะเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้หยุดความอยากได้ความเหงาก็จะหายไปอยู่คนเดียวได้เราจะเห็นว่าอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะถึงแม้จะไปเที่ยวแล้วไปพบกับเพื่อนบางทีมันก็ต้องไปเจอเรื่องที่เราไม่ชอบอยู่ดีไปแล้วดีไม่ดีก็เสียใจรู้อย่างนี้ไม่ไปดีกว่า แต่ก็ไม่ไปไม่ได้เพราะอยู่อยู่แล้วเหงาเพราะไม่รู้จักวิธีอยู่แบบไม่เหงาถ้าเรารู้จักอยู่แบบวิธีไม่เหงาเราก็ไม่ต้องไปไหนเพียงแต่ฝึกสติทำสมาธิทำใจให้นิ่งให้สงบพอใจสงบนิ่งแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาจะไม่รู้สึกเหงาจะกลับกลับจะชอบอยู่คนเดียวมากกว่าเพราะมันมีความสุขที่ดีกว่าจากการที่จากการที่เราได้ไปพบไดอไปเห็นอะไรต่างๆ การที่เราทำความดีแต่ถูกมองว่าโง่ควรทำอย่างไรเจ้าคะไม่ต้องทำอะไรเราก็ทำต่อไปเราไม่ได้โง่เราทำความดีจะไปโงไ่ได้ไงคนที่ไม่ไม่ทำความดีเนะี่ยเป็นคนโง่คนฉลาดเขาทำแต่ความดีเขาไม่ทำความทําชั่วเห็นอันนี้เป็นเรื่องของคนตาบอดหูหนวกไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นโง่อะไรเป็นฉลาด การทำความชั่วการไม่ทำความดีนี่เป็นความโง่การทำความดีการไม่ทำความชั่วเนี่ยเป็นความฉลาดเพราะผล ม, มันดีกับคนที่ทำนั่นเองทำดีได้ดีทำเชั่วได้ชั่วตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะไม่รู้จักกดแห่งกรรมกดแห่งกรรมก็คือไม่รู้ว่าใครเป็นผู้กระทำกรรมและใครเป็นผู้รับผลกรรม มักจะไปมองที่ร่างกายไว้เป็นผู้กระทําและเป็นผู้รับผลกระ ท, ทําซึ่งไม่ใช่เป็นเป็นกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมผู้กระทําคือใจและผู้รับผลคือคือใจผลที่เกิดจากการกระทําดีก็คือความสุขใจความเจริญใจใจก็จะใจก็จะสูงขึ้นจากมนุษย์ก็จะไปเป็นเทพจากเทพก็ไปเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลแต่ถ้าเรามองที่ร่างกายแล้วเห็นว่าทําดีแล้ว ถูกคนอื่งเขาเอาลัดเอาเปรียบไม่ได้รางวัลไม่ได้อะไรเป็นสิ่งตอบแทนอันนี้มันเป็นเรื่องของของโลกอ น, นิจจังไม่เที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนคนทำดีเยอะๆที่ไม่ได้รับรางวัลตอบแทนก็มีเพราะว่าไม่มีใครรู้แล้วคนทำเชื่อกับได้รับรางวัลตอบแทนก็มีเพราะเขามีพวกที่สนับสนุนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองที่ร่างกายอย่าไปมองที่รางวัลที่เราจะได้รับผ่านทางร่างกาย ให้มองที่จิตใจของเราจิตใจของเรานี้มีหลายระดับด้วยกันระดับมนุษย์ก็มีระดับเดรดชานก็มีระดับเปรตก็มีระดับเทวดาก็มีระดับพาริยาบุคคลก็มีเฉะนั้นถ้าทำความดีจิตใจเราจะสูงขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นถ้าทำชั่วจิตใจเราก็จะต่าลงถึงแม้ร่างกายเราจะได้รับรางวัลต่างๆได้รับการยกย่องสรรเสริญได้ลังวีรางวัลได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่ง แต่ใจเราไม่ได้เลือ่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นน่ะเลื่อนลงจากมนุษย์ก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตตามลำดับต่อไปการอุทิตบุญพระอาจารย์สอนว่าผู้ที่อยู่ภูมิต่ำกว่าเราถึงจะได้รับแต่เทวดาที่คุ้มกายเราเราจะมีวิธีไหนให้ท่านได้บ้างเจ้าค่ะโอ้ท่านไม่ต้องมารอรับท่านเป็นเศรษฐีบุญบุญที่เราส่งไปนี้มันจิ๊บจ้อยเรียบเท่ากับบุญที่เขามีอยู่ เขาก็เลยไม่มารอรับส่วนบุญแต่ถ้าเขาทราบว่าเราอุทิศบุญให้กับเขาเขาก็จะอนุโมทนาบุญให้กับเราขอบคุณเราะ แ, แต่เขาไม่ต้องพึ่งบุญของเราเพราะเขาทาบุญไม่มากเขามีบุญติดตัวไปมากพวกที่ไม่ได้ทําบุญนั่นนะเวลาไปไม่มีบุญติดตัวไปเลยต้องมาเป็นขอทานขอบุญจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ขอพระอาจารย์เมตตาแนะนําวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อให้ถึงขั้นอริยบุคคลด้วยเจ้าค่ะก็ต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยละต้องไปบวชถ้าอยากจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลนี่ส่วนใหญ่คนที่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระทั้งนั้นเป็นนักบวชเป็นพระเป็นแม่ชีเป็นภิกษุณีนั้นถ้าอยากจะได้บรรลุอริยบุคคลนี้ก็จาเป็นจะต้องไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ไปรักษาศีลให้บริสุดิเพอจะไดม้มีเวลาให้กับการปฏิบัติสมาธิพอได้สมาธิก็ไปศึกษาทางปัญญาให้เห็นเรื่องของทุกข์ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ละความทุกข์เหล่านั้นได้ละความอยากที่เป็นเหตุของความทุกข์ได้ก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ท่นี้ยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะคมีใครอยากจะถามอีกไหม ถามได้นะถ้าถ้าอยากจะถามเพราะาเดี๋ยวเลอกแล้วมักจะมาถามในภายหลังต้องขอภัยว่าไม่มีเวลาพอเลิกแล้วก็เลิกเลยงั้นก็เดี๋ยวรอสักพักก็ได้เผื่อคนทางบ้านยังพิมพ์คำถามอยู่ใครที่กาลังพิมพ์อยู่ก็พิมพ์เข้ามาส่งเข้ามาได้จะรอสักพักหนึ่งก่อน กราบเรียนถามเจ้าค่ะลูกอยู่ที่อเมริกาทุกครั้งสวดมนต์เสร็จจะกรวดน้ำที่สวนเพื่อนบ้านที่เป็นฝรั่งจะออกมายืนมองบางครั้งก็ได้ยินเสียงหัวเราะลูกเลยรู้สึกกังวลตอนกรวดน้ำแบบนี้บุญจะสำเร็จไหมเจ้าคะคือความจริงการกรวดอุทิศบุญีไม่ต้องใช้น้าก็ได้อุทิศในใจเราเนี่นะว่าข้าพเจ้าขอแล้ว ขอขอุทิศบุญส่วนนี้ให้กับดวงวิญญาณท่านนั้นท่านนี้ที่ล่วงรับไปแล้วก็ถือว่าอุทิศได้แล้วเพรฉะนั้นไม่ต้องใช้น้าไม่ต้องเอาน้ามาขวดที่ใต้โคนต้นไม้แต่อย่างใดอันนี้เป็นพิธีกรรมการอุทิศจริงๆอุทิศด้วยใจเพราะบุญอยู่ในใจของเราเราก็ส่งบุญที่อยู่ในใจว่าขอส่งบุญส่วนนี้ความสุขใจอันนี้ให้กับท่านที่ล่วงรับไปแล้วถ้าท่านรอรับอยู่ก็ขอให้ท่านรับไปได้เล ย, เลยก็สําเร็จแล้ว ไมาต้ไปทํานอกบ้านทําอยู่ในที่ที่เรานั่งสมาธิตรงนั้นนะ่ะไหว้พระเสริมลอก็อุทิศตรงนั้นได้เลยไม่ต้องใช้นะ้ำไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นไ ม, ไม่มีแล้วนะโอเคถ้าไม่มีก็เอาท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำบางสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด